พทอการพระราชการแท้ตาหลวงพ่อเที body, ่ยงที่พระฤาษีชาอย่างสึงดิ้นในวันนี้ หรือไม่โอกาสต่อไปผมจะให้ความคิดเห็นหรือว่าแนวทางในการประพฤติปฏิบัติฐานะขององค์สมเด็จกระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับหลวพ่อให้นําไปพิจารณาดูไม่จะสมควรหรือไม่สมควรประการใดนับว่าเป็นโอกาสทดี ที่ถึงก็อได้เข้ามาอยู่ในพระบวรที่ใช้ศาสนาหรือในเล่มภากาบสารพัดอันเป็นตรงชัยของท่าลหันทั้งหลายการเข้ามาบวชในพระบวรที่ใช้ศาสนานั้นความหุ่งหมายที่แท้จริง ขององค์สมเด็จพระศาสาดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นเนื่องปัจนาความพล้นเพลิหรือการชำระกิเลสให้หมดซึ่งไปจักใจชำระความโลภความโกรธความหลงให้เอกไปจากใจของเราการเข้ามาอยู่ในเพศภ้าคระสาวัสในการดำรนียานี้ นีไ่ได้เป็นผปเพื่อลากเพื่อยศเพืสักการะทั้งหลายแต่การประพฤติธรรมจันนี้เป็นไปเพื่อการทำให้สิ้นอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่ดองอยู่ในสัณานเพราะฉะนั้นพระโยกาวจรเจ้าทั้งหลายจึง เ, เป็นผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยในรตัตตสังสาร ในการยืนร่ายไตรเสิดนักภบนักชาติไม่ท่วนตั้งแต่หนีชาติเป็นต้นมาถ้ายู่คาวาจอนชาตทั้งหลายเป็นผู้มีปัญญาพิจารณาหรืนสิ่งท่างเหล่านั้นว่าการอยู่ในเพศสารวัตนั้นหาความสุขได้น้อยเป็นไปด้วยความทุกข์ทั้งหลาย เห็นเพื่อเห็นในการเกิดในการแก่ในความเจ็บและความตายของมนุษย์ทั้งหลายผู้มีปัญญาจึงเข้ามาบรรชาลสมบัตเพื่อแสดงหาการกระทําที่สุดของความทุกข์แต่สมัยนี้พระโยคายาจารเจ้าทั้งหลาย โดยส่วนมากกการให้จุดประสงค์หรือความมุ่งหมายของตัวเองนั้นเป็นหมืนไปเพราะว่าบางท่านก็จอนไปจรมาในสถานที่ต่างๆจอนไปภาคเหนือบ้างจในภาคใต้บ้างภาคอีสานภาคตอนตกภาคตอนออกไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆด้วยความพวเพลิดเพลินไปเที่ยดูนั่นดูนี่ดูบ้านเมือง น, นีน้นบ้านอย่างนี้ ไปสถานที่นั้นเลยสถานที่นี้ไม่ได้คิดถึงการภราวนาเลยภายในใจิตใจภายในสมัยนี้ส่วนมากนั้นไม่โว ด, ดเข้ามาแล้วได้พรรษาหนาึ่งสองมรรษาหรือห้าพรรษาเลยแล้วก็อยากที่จะเทศอยากที่จะสอนมีลูกสิทยกหา มันแค่เมืงงก็อยากเป็นเก้วว่าหาที่ทำเลเหมาะท่ั้งสำนักด้วยความสะดวกสบายแถวากแถ่ท้องหรือว่ามีลูกศิษย์ลูกหามีบริวารมากๆไม่มีปัญหาขึ้นมาแล้วพระอ่ันโยกโศไม่เคายกหรือเงินน้อยไม่เคารพก็มีทึงหาไม่ชอบใจ ไปไหนแม่ไหนก็ย่ากโยมแม่โยมไม่กล่าวไม่ ว, ไมไว่าเขามีปัญหาคนนั้นไม่ดีไม่เคารพผมคนนี้ไม่ดีไม่เคารพผมไปไหนม่ไหนก็วางท่าวางทางอยากให้มีคนอุปถัมภ์อยากให้มีคนรู้จักต้องการให้คนเคารพถ้าไม่เคารพก็มีปัญหาอยู่เสมอคนตั้งหนีคนลินตาก็มีปัญหา แต่ว่าถ้าคนชมยิ้มละลื่มใจไม่มีตัญหาเป็นเศริดีูแล้วคนจะสู้โยเขาไม่ได้รัฐบาลปัจจุบันนี้ซึ่งมีเรื่องหรือว่ามีปัญหาอะไรขึ้นมาในด้านในเดืองใ น, ในเศรษฐกิจต่างๆรัฐบาลท่านกว่ามือ no problem ไม่มีตัญหาแต่เราซึ่งเป็นพัะ เห็สมมณะอะไรนี้อะไรหน่อยก็ไม่ดูจิตใจของเราไม้ดูกิเลสของเราผู้ใส่เสื้อคุย่หรือผ้าขาดหรือผขึ้นมาเดินไปไหนมาไหนไม่มีคนขับรถไม้มีคนกลับว่าก็โมโหไม่ชอบใจลืมตัวลืมตนคิดว่าเราได้เสื้อคุย่ผ้าขาดหรือผ้าขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ไปไหนที่ต้องมีคนนั่งหน้าสีตาลืมตัวลืมตนว่าเราเป็นผู้ที่ประเสริฐความจริงแล้วก็ยังมีกิเลสเต็มอยู่ในจิตในใจของเราไม่รู้จักหันมาดูเองถึงการประพฤติปฏิบัติถึงการภาวนาส่วนหน้าทีาา่อวันนี้มักจะเป็นเช่นนี้ที่ผมได้เห็นมา ในฐานที่ต่างความหมายของพระโยคาวาชอนเจ้านั้นไม่ได้หมายถึงจรนไปนู่นจอนไปนี่เที่ยวไปดูนู่นไปดูนี่ด้วยความเพลิดเพลินทิ้งกรรมฐานทึงการทะพฤติปฏิบัติทิ้งการภาวนาชำระกิเลสความโลภความโง่ความโกรธออกจากติดแขงเรา ตอนจริงแล้วนังว่าเป็นโอกาสดีที่หลวงพ่อได้เข้ามาบวดในพระวรผูทชอศาสนาในช่วงบ้านปลายของชีวิตเพราะว่าคนทั้งหลายนั้นจะมีโอกาสเข้ามาศึกษาเข้ามาปฏิบัตินั้นนังว่า ถึงจํานวนน้อยมากเมื่อเราเข้ามาศึกษาประพฤติปฏิบัติในพระบวรพุทธศาสนาแล้วเราต้องไม่ลืมจุดประสงค์หรือจุดมุ่ง ห, หมายของการบำรพชาเข้ามาว่าเราบำเพชาเข้ามาหรือว่ามาบวชเพื่ออะไรต้องการอะไรในการบำรพชาเรารติดปันาว่าความบรรลุ หรือว่าปรัถนาที่จะอยากเทศ อ, อยากสอนปรัชนาที่จะเผยแพร่หรืออยากมีลูกศิย์หรืออยากเป็นเจ้าคณกความคิดเห็นในความเห็นชอบเป็นสิ่งที่สําคัญในการประพฤติปฏิบัติเมื่อเข้ามาบวดแล้วเราต้องพิจาเห็นโทษทั้งโลกตัดปริโพเทสงวน ภายในใจทุกสิ่งทุกอย่างให้ออกไปให้เหลือน้อยที่สุดถึงแม้ว่าเราจะมีอายุมากมีความรู้มามากก็ให้ทิ้งตำลาทิ้งความรู้แตงโลกนั้นไวไถ่นอกทําจิตใจของเรานั้นให้เหมือนกับว่าภาชนะที่ร่างปาเปล่าหรือเหมือนกับแก้วที่ร่างเปล่าที สามารถที่จะรองรับน้ําได้แต่ว่าถ้าเราทํำจิตใจเหล่านั้นเป็นไปด้วยความรู้เป็นไปด้วยตำราเป็นไปด้วยที่ขีมานะก็เหมือนกับว่าภาชนะที่ไม่ว่างหรือว่าแก้วน้ําที่เต็มไปด้วยน้ําก็ไม่สามารถที่จะรับน้ําใหม่ได้ เหมือนกการประพฤติปฏิบัตินี้ถ้าเรามีที่ถิมันะเป็นในจิตในใจเราคิดว่าเรามีความรู้เราคิดว่าเรามีความเห็นถูกต้องของเราเราคิดว่าเรามีสาวความสามารถไม่ความความวินิองัครเราก็ไม่สามารถที่จะรับความรู้สี่ต่างที่เราเข้ามาศึกษาได้ เพราะนั้นการทำใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญการทำใจให้รู้จักปล่อยวางหรือว่าปลงใจให้รู้จักปล่อยวางความรู้ปล่อยวางที่ถิ่มันะเข้ามาศึกษาปฏิบัติเข้ามาบวชก็เหมือนกับว่าตั้งจิตตั้งใจใหม่เข้าลบปัจรารรมารวิัย ตามตามพระธรรมวินัยซึ่งองค์สมเด็จพระศ า, า, าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นได้บัญจัติได้แต่งตั้งไว้ให้ธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์เราเข้ามาศึกษามาประพฤติปฏิบัติก็ให้เคารพถ้าได้มีภาษาที่มากกว่าถึงแม้ว่าอายุจะน้อยกว่าก็าให้เป็นผู้ที่อ่อนน้อมต่มตน เป็นผู้ที่มีคารบต่อภาพตามวินัยอย่างนี้คือจะเรียกว่าเป็นผู้ที่แสนานานในการประพฤติปฏิบัติในเพศ ธ, ธรรมนะถ้าเราทำใจได้แบบ น, นี้เราจะเป็นผู้ที่ว่ามีปัญญารู้จักรู้จัดดูรู้จักฟัง ในสิ่งต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างนั้นภายนอกนั้นจะเป็นพระหรือว่าเพื่อนปฏิบัติหรืสาธมิตรทั้งหลายนั้นจะเป็นผู้วิโสหรืออ่อนวิโนั้นเมื่อเราได้รู้จักเข้ามาในบุคคลานั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เป็นครูเป็นอาจารย์เราได้บางครั้งใครก็ตามประพฤติตัวไม่ถูกต้อง ทำตัวไม่ถูกต้องเราก็ให้เป็นครูเป็นอาจารย์เราก็ไม่ต้องทาตามอย่างเขาแต่ถ้าท่านองใดประพฤติตัวเป็นที่มดนลมเป็นที่ถูกต้องก็เป็นครูเป็นอาจารย์เราได้นามาประพฤติปฏิบัติความเห็นทั้งหลายนั้นให้เราอยา่ายึดมันนมมนม่นในความที่เห็นของเราอย่ายึดมั่นในความทิดเห็นของคนอื่น เพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้จักทําจิตใจให้ว่างจากที่ถือมานะจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายทั้งปวงแล้วโดยชั่วข่าวนี้เรามีความตั้งใจจริงในการประพฤติการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติภาวนาเพื่อความบนทุกข์รู้ใจจริงๆแล้วแต่จะได้พูธของบนทุกสิ่งทุกอย่างของจัตใจของเราเห็นทั่วทั้งโลกไปเด็ดขาด จิตใจของเรานั้นก็ตั้งมั่นอยู่ในสินอยู่ในธรร ม, มอวินัยขอ ง, องสมเด็จพระสาจปัจจ์เมือ่อจเรานั้นอยู่ในสินเข้ามาบวชก็ต้องรู้จักว่าอารมณ์ทั้งโลกหรือว่าความนึกคิดต่างๆที่เราเคยพัฒนาปฏิบัติมาทั้งแต่อยู่ในเพคะวานนั้น นำ ม, มาใช้ไม่ได้เพราะว่าการมาบวชการมาปฏิบัติภาวนา น, นั้นต้องรู้จักมีความอดทนมีการฝืนต่อลมทั้งหลายที่เราเคยทาตามอารมณ์ที่เราเคยทําตามใจเองการฝึกหัดปฏิบัตินี้ต้องมีความอดทนมากต้องมีความเพียรมาก รู้จักฝืนต่อลมทั้งหลายที่ไม่ดีที่ไม่ควรจะเป็นการขบฉันหรือว่าการฉันก็ตามนั้นก็ mm hmm. ต้องรู้จักการประมาณในการบริโภคอาหารอย่าให้หิมเกินไปอย่าให้หิวเกินไปรู้จักว่าการฉันขนาดไหนพอดีสาหรับเราไม่ใช่ว่าไปฉันหารเสร็จแล้ว3ามสี่โมงเ้า ไม่ทันไรก็รถึงที่นอนแล้วอินเป็นไปก็ง่วงนอนความจริงแล้วถ้าเรารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารทั้งหลายไม่ให้หินเป็นไปนักไม่อินเป็นไปรู้จักความพอดีของตัวเราเองแล้วเมื่อชำรเสร็จแล้วเราก็ได้มีโอกาสเดินโยนมหรือนั่งสมาธิสลับเันไป ถึงนตอนที่ยง no. วันนั้นก็ค่อยพักพักประมาณยี่ิบนาทีขึ้นช um ั TF ่วโมงหรืออย่างมากก็มีเพิ่ชั <xic> ่วโมงหรือว่าการพิจารณาปัจจัยสี่ต่างๆนั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญในการพิจาราใช้สอยกันสิ่งงขอต่างๆเราจะพิจารณาก่อนใช้หรือหลังใช้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นการขบฉันนั้นการฐานอาหารบินป่านนั้นก็ต้องรู้จักพิจารณา การชันนี้คือต้องเกี่ยวเนื่องกับการนอนการนอนของเรานั้นในวันหนึ่งในคืนหนึ่งตอนหนึ่งคืนนั้นไม่ควรนอนเกินสีชั่วโมงตลอดทั้งวั น, นั้นคืนนั้นยี่สบสีชั่วโมงนั้นเราควรนอนไม่เกินสีชั่วโมงหรือว่าถ้าหยอดลงมาหน่อยนอนสีชั่วโมงกลางกลางวันก็นอนหรือว่าพักผ่อนดีการเที่ยง ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงไม่เกินนี้ถ้าร่างกายลราปกติไม่เกใครได้ป่วยเพราะว่าผู้ที่มุ่งประโยชน์ในการป ฏ, ปฏิบัตินั้นจะต้องรู้จักฝืนจิตใจนั้นไม่ให้ถึงนผู้เกิดการไม่ให้เป็นผู้ที่เห็นจะนอนมากนักไม่ให้เป็นผู้ที่เห็นจะการฉันตารกินมุ่งปฏิบัติเป็นผู้ที่ ขันได้พอดีนอนแด่พอดีมีจิตใจที่ประลบต่อการทำความเปลี่ยนอยู่เสมอถ้าเรารู้จักควบคุมการกบสันการนอนให้อยู่ในสภาพที่เป็นปกติพอเหมาะพอควรแก่ร่างกายของเราแล้วแต่นี้ก็เป็นการง่ายต่อการประพิติปฏิบัติถ้าจิตใจของเรานั้นเป็นผู้ที่สะมัดระวังสํารวมอยู่เสมอ งงให้ผสมรวมมีสีมีตาสัมวอระวังมีกายรูปหูได้ยุกฟังเสียงที่ง บ, บัดลถจมูกได้ดมกลิ่นกายได้สัมผัสความร้อนความเย็นความรุ่งโร น, วนความอ่อนความแข็งเป็นรวมในึูกเสียงทิ้งรถสัมผัสทั้งหลายไม่ให้เกิดความยินดี ไม่ให้เกิดความวินล้าในสิ่งทั้งหลายทําจิตใจของเรานั้นให้เป็นกลางเป็นเบิขาเพื่อจะวางอารมณ์ทั้งหลายให้เป็นกลางการสารวมมิจฉิมจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากต่อผู้ประพฤติธปฏิบัติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติปฏิบัตินั้นเมื่อเราตั้งใจระพฤติธปฏิบัติแล้ว ก็ควรที่จะหาโาดหาเวลา mm hmm. กระทำความเตียรให้มากจะเป็นการเดินสังคมก็ตามหรือว่านั่งสมาธิก็ตามก็ททำให้มากตัตตลมที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตออกเสียตั้งจิตตั้งใจของเรานั้นให้มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันธรรมเห็นธรรมซึ่งเกิดอยู่เฉพาะหน้า จะเป็นกุศลธรรมหรือว่าอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานั้นถ้าเรามีสติอยู่เสมอเราก็จะรู้จักว่าอารมณ์อะไรเป็นกุศลอารมณ์อะไรเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นถ้าเราตามดูจิตใจเราอยู่เสมอตามดูจิตใจเรามีสติอยู่ตลอดเวลาแล้ว เหมือนกับว่าตำรวจคอยจะกดรอยตามผู้ร้ายดูผู้ร้ายว่าผู้รายจะไปในทิศทางใดผู้ร้ายจะทําผิดกฎหมายหรือเปล่า mm hmm. ผู้ร้ายคนนี้จะไปก้นกระดมที่ไหนหรือเปล่า mm hmm. คอยจะกดรอยตามถ้าผู้ร้ายเห็นตํารวจคอยติดตามอยู่เสมอเขาก็จะไม่ทําผิด จะไม่กระพิจิตแต่ว่าเท่ากาธันใดที่ตำรวจไม่สะกดรอยตามผู้ร้ายที่เดินทางไปในแต่ละทิศแต่ละทางนั้นไม่มีโอกาสตำรวจเผลอผู้ร้ายก็กระทำผิดอีกหยุดเสมอเสมอการสะพติการปฏิบัตินั้นก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันถ้าเราไม่มีสติตามดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิต ใ, ใ, ใจใเราอยู่เสมอ อารมณ์ทั้งหลายซึ่งเป็นความเคยชินแต่อดีตมาก็จะพาให้จิตใจเรานั้นกระทำผิดกระทำผิดกฎหมายกระทำผิดเซเลธรรมแต่ว่าถ้าเรามีสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่เสมอความรู้จักบานไม่ทำคุณเราก็จะรู้จักมีความหมดกลั้นมีความอดทอนไม่กระทำความผิดตามอารมณ์ทั้งหลาย เพราะฉะนั้นการที่เรามีสติตามโดยจิตใจของเราอยู่เสมอนี้เป็นสิ่งที่สําคัญปัจจุบที่เป็นอดีตที่เป็นอารมณ์เก่าๆนั้นออกเสียเอาบายพิจารณาลมที่เป็นอดีตที่ผ่านไปแล้วนั้นออกไปจากใจเราให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันให้จิตเป็นการอยู่เสมอ หรวาบางครั้งเรามีความคิดไม่คิดปรุงแต่ไปถึงในอนาคตไปถึงปีหน้าปีนูน้นอีกสองสาปีว่าเราจะได้อยู่ที่นั่นจะไปอยู่ที่นี่จะไปประพฤตปฏิบัติภาวนาที่นู่นที่นี่ในอนาคตข้างหน้าอีกห้าปีสิบปีเราจะไปตั้งวัดตั้งวาจะไปอยู่ที่นู่นะน ะ, ปป ะ, ะาภ า, า, น า, นาคเหนืจจอนนนะนจะไปอยู่ภาคใต้นะให้เราคิดสมัยว่าอนาคตยังมาไม่ถึงยังอยู่ไกล ชีวิตของเรานั้นจะหาพ้นวันนี้ไปหรือเปล่าก็ยังไม่รู้คืนนี้เรานอนหลับแล้วเราจะตื่นขึ้นมาในรุ่นชาประมันใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้ความตายนั้นอยู่เบื้องหน้าเราอยู่เฉพาะหน้าเราซึกงหมายใจ ก, ออก็ให้พิจารณาอยู่เสมอถึงความตายเพื่อตัดอารมณ์ที่จะเป็นไปในอนาคตซึ่งชักจูงปรุงแต่งให้ใ จ, จิตใจเรา ไปในอนาคตก็จะไปเทศที่นั่นจะไปเทศที่นี่ไปโปรดคนนั้นจะไปโพรดคนนี้จะไปสั่งสอนคนนั้นไปสั่งสอนคนนี้ถ้าเราดูจักพิจารณาแต่ละลมที่เป i. I ็นอดีตแต่ละลมที่เป็นอนาคตไม่ส่งเสริมในการไม่คิดปรุงแต่งในอารมณดีในอารมณ์ที่เป็นอนาคตที่ไม่เป็นประโยชน์ที่ไร้สาระนั้นต่อไปจากจิตใจของเราแล้วให้จิตใจเราอยู่เป็นกลางได้ นับว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะคิดไปถึงอนาคตไม่ได้เลยจะคิดไปถึงอารมณ์ที่เป็นอดีตไม่ได้เลยบางครั้งเป็นธรรมดาของจิตของเราที่ย่อมมีความคิดไปถึงอารมณ์ที่เป็นอดีตที่เป็นอารมณ์ที่เป็นอนาคตก็ตามบางครั้งคิดได้อยู่แต่ว่าเราต้องรู้จักประมาณรู้จัก ปล่อยวางความนึกคิดของเราให้เป็นกลางอยู่เสมอเมื่อนึกคิดไปถึงอารมณ์ดีคิดไปถึงอารมณ์อนาคตพอสำควรแล้วทั้งจุดประสงค์ตั้งจุดมุ่งหมายพอสำควรแล้วเราก็วางใจวางอารมณ์นั้นอย่าปรุงแต่งอย่าส่งเสริมมากนักคิดซว่าอารมณ์ดีตก็ผ่านพ้นไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาถึง ขอให้เราตั้งจิตในปัจจุบันทมอยู่เสมอจิตที่ตั้งมั่นมีสติในปัจจุบันนั้นจะเห็นธรรมซึ่งบังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าจะเป็นธรรมที่เป็นกุศลเรือกุศลก็ตามก็จะมีสติสำนึัยญ้ะรู้จักรู้จักว่าเราจะทำอย่าไงไรมีสติปัญญาพิจารณาแก้ไขอารมณ์ซึ่งจะมาชัดจูงจิตแจเรานั้นให้กระทำผิดหรือถละธรรม หรือว่ากระทำในอารมณ์ที่ไม่ดีถ้าเรามีสติตามด้ยจิตใจเราอยู่เสมออี้ตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนในขณะที่เรายังไม่นอหรือไม่พักก่อนนั้นจะเป็นทั้งสมาธิจะเป็นทั้งปัญญาอยู่ในขณะนั้นจะเป็นทั้งศิงสมาธิปัญญารวมอยู่ที่เดียวเพราะว่าเรามีสติ ไม่ทำบาปทั้งหลายทั้งปวงเรามีสติแต่อารมที่เป็นอดีตแต่อารมที่เป็นนาคาต่อไปทั้สีในขนาดนั้นก็เป็นสมาธิที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อลมทั้งหลายทั้งปวงตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันธรรมพิจารณาลรมทั้งหลายทั้งปวงที่เข้ามาในจิตใจของเราแล้วก็ผ่านไป พิจารณาสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นทางตาทางหูเมื่อตายเห็นรูปหูได้ฟังเสียงเกิดความยินดีเกิดความมีนร้ายขึ้นมาพิจารณาแก้ไขให้เห็นสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างเห็นสภาวะธรรมของสิ่งทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนจะเป็น สึ่งที่มีชีวิตก็ตามย่อมเกิดขึ้นย่อมตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปในที่สุดจะเป็นวัตถุธาต่างๆก็าตามก็ตกอยู่ในสภาวะของไตรลกักษณ์เช่นเดียวกันจิตใจของเรานั้นก็จะเกิดมีปัญญาเห็นความจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายเห็นความจริงของสภาวะธรรมซึ่งเกิดขึ้นจะได้หน้าไม่หลงยึด สภาวิปัสสธรนั้น่าเป็นตัวเรามาเป็นของของเราทำให้เกิดความโลภ ค, ความโกรธความหลงขึ้นในจิตใจของเราอยู่เสมอถ้าเราได้หมั่นพิจารณามีสติอยู่เสมอตั้งมั่นอยู่ในปัจจุันธรรมเช่นนี้อยู่เสมอแนะแล้วการประพฤติการปฏิบัติของเรานั้นก็ย่อมที่จะเด่นดย่อมที่จะเห็นผล นันที่จะเจริญก้าวหน้าในธรรมขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปอยู่เสมอเสมอนักปฏิบัติทั้งหลายส่วนมากจะปล่อยจิตปล่อยใจจะลืมลืมที่จะตั้งสติ ด, ดูเรมงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนักจะปล่อยจิตปล่อยใจไปในเร็งที่เป็นอนดี หรือปล่อยจิตปล่อยใจเป็นนวเริ่ที่จะอ น, น, นาคตเสรงเสริมและเป็นกต็มไปกับสิ่งตา่างไม่รู้จักแต่ลมให้เป็นสมาธิไม่รู้จักพิจารณาให้เกิดปัญญาการที่เราตัง้งประตุบัอยู่เสมอมีปัจจุบันระลึกได้อยู่เสมอในจจุบานนั้นก็เหมือนกับว่าเราเดินไปตามถนนเ <c oughs> ส้นหนึ่ง เพิ่งเลี้ยตงตร ง, งไปทางขึ้นหน้าการเดินทา ง, าอา ข, องาาของเรานั้นหรือว่าการเดินสติของเราการเดินจิตของเรานั้นก็เหมือนกันเหมือนอย่เราก้าวเดินออกไปเท่าก้าวเดินออกไปเรื่อยๆตามหนทางเพิ่มแคบยาวไปข้างหน้าเมื่อเราเห็นกิ่นไม้หรือว่าเศษแก้ว วางอยู่ตามถนนหนทางที่เราเดินผ่านไปที่เราจะเดินไปข้างหน้านั้นจะเป็นวัตถุสิ่งของต่างๆก็ตามที่วางอยู่เกิดจากหนทางเราเดินไปถึงไม่เห็น ถ, ถึงไม้แล้วก็หยิดออกจะเห็นเศษก็เด็กขดแตกแล้วก็หยิบออเพราะว่าจะเป็นอันตรายต่อเท้าเรา เดินไปเหินก็หินก็หยุดออกเพราะว่าเท้าไราจะไปเตะไปสะดุดก้อนหนนั้นถ้าบางเส้นหนทางาเราไม่รู้หนทางไม่มีเตะไม้ไม่มีก้อนหินไม่มีขดหรือไม่มีเตะแก้วนั้นเราก็เดินไปเหินกบาลมือนกับจิดใจเหล่านั้นถ้าเรามีสติตามโดยจิตตามโดรลมของเราโดยเสนอ เราเค่อยไปรู้จักว่าถ้าเรามีปัจจุบันนี้เรามีอารมณ์ที่เศร้าหมองหรือมีอารมณ์ที่ต่างใจเมื่เรามีอารมณ์ที่เศร้าหมองเราก็รู้จักเอาบายสติปัญญาพิจารณาแก้ไขอารมณ์นั้นออกไปจากจิตใจของเราเหมือนกับว่าเราหยุดเศษเจ้า ออกไปจากนทางหรือว่าเรามีอารมณ์กุศลมีจิตใจที่ผ่องใสมีจิตใจที่สบายแล้ก็มจะติรู้ตัวอยู่เสมอดูจิตใจเาไปเรื่ยเหมือนกับว่าเราเดินไปบนหนทางที่ล่าไกลปราศจากสิงง่งจิตขวางหรวัตถุที่เป็นอันตรายแต่ร่างกายของเราอันนี้มันเหนกั น, น ก็เปลี่นมนลว่าอารมณ์ทั้งหลายนั้นไม่เป็นอันตรายต่อจิตใจขงเราถ้าเรามีสติดูอารมณ์าารู้จากว่าอารมณ์องาผ่องใสอารมังเย็นเยนอารมณ์งเานั้นเป็นกลางมีความสบายเป็นเว้าเราก็เดินไปั้างหน้าเรื่อยๆเดินจิตเดินใจของเราไปเรื่อยๆด้วยคามมีสติรางระยะมีความยึดตอยู่เสมอนี้ จิตใจเร า, ร า, าเก็จะกอดโงเจมใสมีความเยยนมมีัหาในแบเสียงต่างๆเลยในใจเราเพราะาเรามีสติเสมอถ้าเราม่มีติครดูจิตแวดลักษณาจิตใจหรือว่าหมั่นรงความสาดจิตใจรอยู่เสมอแล้วจิตขงเรานั้นไม่โดนตังป็นเห ม, มือนคนตาบอดไปเตเขอ้อนิ้บ้าง ไปหยดหนามบ้างไปหยดเศษแก้าบ้างเท้าเราก็เป็แผลเปงนบาดไปหมดจิตใจขอเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาควบคุมจิตใจเราอยู่เสมอนั้นเมื่ออะไรอะไรเกิดขึ้นมาทําให้จิตใจเราเราก็ไม่รู้อะไรทั้งหลายก็จะย่ำมีจิตใจขอเราทํำร้ายจิตใจเรานั้นให้บอกชั้นให้บอกจหลายให้เร้าหนองไป ถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีสติตำแย่คอย ค, ยควคุมคอยรักษาใจเงยอยู่เสมอต่อให้อารมณ์ทั้งหลายมาลันแก่จิตใจเงยอยู่ได้ซึ่งผู้ปฏิบัตินั้นก็แม่็มขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ได้คนนั้นว่าก้างรู้จักควบคุมการพพประพฤติปฏิบัติของเราได้จาก ควบคุมในการฉันการนอนหรือว่ามีการทำอมเพียนให้พอประมาณเมื่อเราทุกคนหรือว่าหลวงพ่อได้มุ่งเข้ามาปฏิปโต่ผ่านแล้วก็ขอให้มีความตั้งใจมีความตั้งใจจริงพู้จักควบคุมตัวเราเองว่าเราบวมาทําไมเพื่ออะไรว่าต้องการอะไร ถ้าเรารู้จักจิตเจือหลจตุ่งหมายโดยเราเองแล้วเราจะนึกจดค้านในการทำมรรคการนานนั้นหมือนที่บอกไว้ว่าถ้าเราใจบานแดงขึ้นงวดอย่างสม่เสมอเกินหนึ่งขอ้นควรเกินสี่ชั่วโมงแต่ว่าถ้าจะหยาดลงมาหน่อยแล้วก็พักกางันหื่ดเล็กน้อยหรือหยุดเป็นทีสี่ชั่วโมงหรืออย่างมากก็ไม่เกินชั่วโมงนีงอันนี้นับได้ว่า เป็นปฏิปทาที่พอสมควรแต่ทําเช่นนี้ให้สม่ำเสมอไปไม่ใช่ว่าคนนี้ทำอาชีพนี้ทำหยุดกระเดือนหนึ่งหยุดปิ้าวันแล้วค่อกลับมาทำใหม่เป็นปฏิปทาที่ไม่สม่ำเสมอจิตใจเรานั้นก็จะกระท่านกระแท้นนมไม่สม่ำเสมอเหมือนกันแต่ว่าบางครั้งถ้าเรามีความเพียรมันแก่กล้ามีความเพียรขึ้นงวดนั้น เวลาจะนอนสองหรสามชั่วโมงเป็นน้อยกว่นั้นก็ได้เป็นบางครั้งบางคราวแต่ที่ผมพูดให้ฟังนี้พูดให้ฟังในลักษณะความเป็นกางหรือเป็นปฏิปทาที่สม บ, รบรูรณเสมอของใต้โอาคอัฉจฉริยะของเรานั้นควรประพฤติปฏิบัติควรแ น, น่หนึ่งปกติแล้วไม่ควรเกินสี่หรือห้าชั่วโมงถ้าเราทำได้เช่นนี้ด้วยการพิจาาในกัจจัยสี่ทั้งหลาย จะเป็นทีวอนหรือว่าเป็นอาหารมินิบาตเป็นเสนาสะนะเพื่องใช้สายาต่างๆหรือเป็นยารักษาโรคด้วยการพิจารณาในการใช้สอยก่อนการใช้หรือว่าถ้าไม่พิจารณาก่อนการใช้ก็พิจารณาหลังการใช้แล้วให้รจักพิจมราทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจเป็นทันด้วยใจเป็นทางด้วยจะฝูงจิตใจของรานั้น ไม่จะทรอะไรไปตามอารมณ์การความนึกคิดของเราซึ่งเคยสั่งสมมาให้รู้จักเปรียบเทียบในธรรมะวินัยว่าอันนี้เป็นไปเพื่อกิเรหรือเปล่าเป็นไปเพราะความอยากหรือเปล่ารู้จกักพลิกมาใจเราอยู่เสมอทเทียบเทียมกับธรรมะวินัยเราอยู่เสมอถ้าเราคป็นผู้ที่ไม่ทำอะไรตามอารมณ์การคิดใจไงอยู่เสมอ เป็นผู้ที่รู้จักผืนรูอจากหาดิิใจของเราอยู่เสมอนั้นโดยเน่งเสนเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นตัดไว้ว่าในช่าติที่รู้จักมีความฉลาดในการดักทุกข์สนั้นให้ตรงเราก็เหมือนกันก็ต้องรู้จักดักจิตดักใจเรานั้นให้เราเป็นผู้ที่สามารถ ควบคุมจิตใจเราได้ไม่จักรเดือนการของจิตใจเราอยู่เสมอเมื่อจิตใจเรานั้นมีความผ่องใสมีความเศร้าหมองด้่ยจักรผู้ที่ฉลาดในการควบคุมจิตใจเราอยู่เสมอถ้าเราเคยทำได้แังนี้มีความเพียรอยู่เสมอมีศรัทธามีความเห็นชอบแล้วบางครั้งก็มีศรัทธาบ้างบางครั้งศรัทธาก็ถอดไปบ้าง ให้เรารูจา้จักหาอบายจะถือพัญาสร้างสรัทธาให้เกิดขึ้นสร้างศรัทธาให้ตั้ ง, งมั่นหรือเสมอในการทำเป็นเพียงการปฏภาวนาไม่มีศรัทธาแลวความเพียรจะเกิดขึ้ น, านการกระทำความเพียรนั้นถ้าเราตั้งใจที่จะปฏิบัติ่ั้งใจเดินทุงคกลตั้งใจนั่นสมาธิจิตใจเหลเรานั้ น, นก็จนมจะเห็นผลมีเสถือมีสมาี่มีพัญญาแต่เมื่อลงไปเป็นลำดับลำดับไป การนั่งสมาธิก็เหมือนกันไม่จะกำหนดดูลมหังใจก็ออหรือว่าภาวนาพุโทโธด้วยเรานั่งสมาธิไปแล้วใ ห, ใหม่ผู้สุภาพนั้นเคยนที่จะกำหนดสติอยู่กับเมหายใจก็หรือคำภาวนาพุโทโธก็ทําให้ชืน่นดีชื่นาญเมื่อทําให้ชืนดีชื่นนานแล้ว บางครั้งจิตใจเรานั้นก็จะเกิดปิติมีสมาธิเกิดความสุขมีสมาธิหรือเกิดเกิดเบกดขามีสมาธินั้นในสมาธิเราทำสมาธินั้นบางครั้งเกิดร่างกายเบาจิตใจเบาหรือเกิดอาการของปิติต่างๆหลายอย่างซึ่งนักปฏิบัติก็คงไม่เคยเหนไม่เคยได้สัมผัสบ้างหรือว่าเกิดนิิด อะไรต่างๆขึ้นมาในจิตใจของเรานั้นก็ขอให้ผู้ปฏิบัตินั้นตั้งทติอยู่กับเป็นหมายใจก็ออกหรือกับการภาวนาของเราอย่าสื่อจิตออภายภายนอกอย่าไปสนใจกับอาการของปกิหรือว่าอาการของมิจฉุกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเราอย่าไปสนใจสิ่งต่างให้ตั้งทัติในกรรมฐานของเราอยู่เสมอ มีต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นสภาวะธรรมเท่าทนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปในที่สุดไม่มีอะไเป็นของจริงแกไม่มีอะไรเป็นของแน่นอนแต่ว่าถ้าเราทําสมาธิจนมีสติที่ตั้งมัน่นมีสมาธิที่ตั้งมั่นแล้วถ้าเกิดว่าเราเห็นนิมิตซึ้งเป็นอสุภะไม่เห็นนิมิตสภาวะธรรมภายนอก ซึ่งเป็นสภาวาธรรมทั้งปรากฏให้เห็นเป็นนสภาพะให้เห็นเป็นธรรมธาตุทั้งหลายซึ่งแตกกระายไปให้เห็นร่างกายของเราเน่าเปื่ถูกพังไปอันนี้เราก็น้อนมาพิจารณาแล้วมาเพิ่มพิจารณาเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายนั้นของร่างกายของเราร่างกายคนอื่นก็ดีให้เห็นสภาวะธรรมของความเปลี่ยนแปลงไปของความจริงของสิ่งทั้งหลายว่า ร่างกายของเราดีเต็มไปด้วยสุภะเป็นของไม่สวยไม่งามปนนจะเป็นผมขนเลือดันหนังจะเป็นกระดูกหรือเนส่วนต่างๆร่างกายเราก็ตางพิจารณาหินเป็นของไม่เปื่อนพิจารณาหินเป็นสิ่งประตูเป็นของสักสงบเขียวขุ่พิจารณาหินเป็นท่าดินท่า น, นา้ำท่านลมท่านไฟเรียนอยู่ในสิ่งต่างเหล่านี้ แล้วก็แตกสลายกลายเป็นธาตุทั้งสี่อยู่ตามธรรมชาติของโลกเขาเมื่อจักน้อมเข้ามารู้จักเห็นธรรมภายนอกและเห็นธรรมภายในเมื่อเห็นธรรมภายนอกหมายถึงเห็นวัตถุต่างๆคือเป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆก็ไม่รู้จักพิจารณาให้เห็นเป็นไตลักษเมื่อเห็นธรรมภายในคือเห็นร่างกายของเราก็ให้รู้จักพิจารณาให้เห็นเป็นไตลักให้เห็นเป็นเนืสุภาษ ให้หุ่นนท่าทั้งหลายให้หุ่นเป็นใจลักจิตใจเรานั้นก็จะลายกับความยึดมั่นถึงมั่นกายกับความโลภกายกับความโกรธกายกับความหลงด้ า, พยาย เ, เพื่อจะพุทปฏิบัตินั้นพป็นกระทำสมาธิให้เกิดขึ้นไปในจิตใจเราทําสมาธิให้ชํานาญให้มีปิติายเบาจิตใจเบา หรอ่มีความสงบภายในจิตใจเราอยู่เสมอมีความสดใสในจิตใจของเราอยู่เสมอเวลาทำสมาธิมีความเยือกเยน ม, มีความสบายหรือว่าทำเข้าไปจนกระทั่งจิตเป็นนเดิกขาจิตรังเฉยจากโลดภายนอกมีความเป็นกลางอยู่เสมอเกิดทำสมาธิให้แคบคล่องให้สมาธิตั้งมัน่นเมื่อสมาธิของเราตั้งนั่นแล้วจะเป็นเดินเป็นกมก็ตาม ให้มีสติอยู่กับการเดินการก้าวไปแต่ละก้าวให้มีสติมีกับปลายเท้าที่เราสัมตัดกัพื้นก้าวข้าขวาก็ให้มีถึงคําว่าทิศกาวข้าวซ้ายก็ให้มีถึงคําว่าทิศสลับกันไปให้มีสติอยู่การกําหนดทีเท้าอยู่เสมอแต่การนั่งสมาธินั้นก็ให้มีสติกําหนดอยู่ที่เราหายใจเข้าของเรา หรือว่าการภาวนาพุทโธงเราอยู่เสมอทําสมาธิทั้งการเดินและการนั่งให้เพื่อคล่องให้ชันลิชันานเมื่อชํานานแล้วจิตใจของเรานั้นจะตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นมีอาการซึ้เกิดขึนน้นภายในจิตใจของเราถือว่าจิตของเรานั้นเมื่อออกจากสมาธิออกจากการรวมกลมหรือว่าจากการนั่นสมาธิแล้ว เราก็มีสติตามโดยจิตใจงอยู่เสมอเราจะเหน็นนาการที่แตกไปจากจิตใจขอเราซึ่งเราไม่เคยเห็นมาแต่การก่อนถือว่าบางครั้งเราจะมีสติเป็นนาการของจิตซึ่งออกมาเป็นอารมณ์ที่เแยกออกระจากจิตใจเรต่างหาแต่เรามีสติโดยอยู่อารมณ์ที่มากระทบต่างๆก็ดีทั้ ง, กงูก็ดี เกิดความยินดีเกิดความยินร้ายก็ดีแล้วจะมีสติมีสมาธิตั้งมั่นในที่จิตของเราเห็นว่าการของจิตเห็นหน้าลมของจิตที่เกิดขึ้นไปในใจเราอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สําคัญที่นักปฏิบัติต้องทําให้ถึงจุดนี้คือว่าเห็นหนาตาที่ว่าจิตได้จัดอารมณ์โดยชั่วคราวก็ตามถ้าเราเห็นแล้วเรารู้จักแล้ว เ จ, จิตความอาลณ์หรือว่าอาการอันนี้ได้ให้ดีแล้วก็เรื่องความเรียรในการเดินเง็นกลมนั่สมาธิให้จิตของเรานั้นให้จติตของเรานั้นให้สมาธิขอนั้นอยู่กับจิตของเราอยู่เสมอไม่ให้กับอาลณเป็นคนะสืออยู่เสมอไม่ให้กับทะกลณทั้งหลายจะไปทุกข์เรมทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจก็าตาม เมื่อเรามีสติตั้งมั่นหรือว่าจิตนอย่อาแยกจา ก, กอยู่เสมอแล้วแต่ไป น, นี้ไ ป, ป ก, กรรรรมม็เป็นเรื่องที่สดายมากในการที่จะพิจรณาธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่เชืว่าเราจมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนรตภอยู่เสมอไปได้ตั้งนั่นอยู่น้นจิตอยู่เสอเนออารมณ์ขึ้นมาสัมผัสในปัจจุบันนั้นเราจะรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างหมด เราจะเห็นอารมณ์ทุกสิงทั้งยานที่เกิดขึ้นมาภายในใจเราหมดเพราะอะไรเพราะ่าเรามีสิ่ในใจของเรามีสติอยู่ภายในใจของเรามีสมาธิอยู่ภายในใจเราอยู่เสมอตัดทะลมพิจารณาตัดทะลมให้เกิดปัญญาอยู่เสมอทั้งสิ่ทั้งสมาธิทั้งปัญญาเรียงเรียงอยู่ที่ใจเราอยู่ขณะเดียวกันเป็นขณะจิตมีปจิบัน อัตยบันของจิตปัจยบันของธรรเรื่องหนึ่อยู่ที่ใจเราโดยมีสนาธินั้นโดยถ่ายเดียวไม่มี อ, อย่างอื่นเพาว่าเกิดขึ้นจากการกระทั น, ท น, นหันผีของเราในการเดนินุงกรมโดยการมั่งสมาธิวนต่อเนื่องเราถ้าเราได้เห็จิตเห็นลมชั่ขวข้ามนี้แล้วเป็นประคองเปงนรักษาไว้ให้จิต ข, ของเรานั้นรักษาได้โดยเป็นการถาวร ทห้ทั้งจิต่นในปัจจุบันธรรมเป็นปัจจุบันจิตปัจบันธรมนนธรมอยู่โดยฐานด้ยวยการทำหน้าที่อยู่เสมอถ้าทําหนาที่อยเสมอด้จากข้อแคบในการทำหนาที่แล้วจิตกลางานั้นจะเรียนเวียนเป็นสินเป็นสมาธิเป็นปัญญาโดยถ่ายเดียวอยในปัจจุบันตามนี้จิตแยกจากอารมณ์จิตแยกจากอารมณแล้วตอนนี้นนนไม่ต้องถามแล้วว่างัยจะไปทุกขไดัอย่างไร ไม่จะทําอย่างไรในการประปฏิบัติจำให้เฉยใสในการปฏิบัติจะเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในตรุดันจะต้านหน้าเห็นกิเลสที่เกิดขึ้นในตรงดันจะต้านหน้าเห็นอารมณ์ที่เข้ามาในจิตใจของเราจะต้านหน้าเราจะรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างม่ีสถิมีปัญญาแก้ไขอารมณ์ทั้งหลายมีความเกิดเกิดขึ้นกงมีสติมีปัญญาแก้ไขไม่ทําอะไรตามอารมณ์ มีความหมดกั้นไม่ทําอะไรตามอารมณ์รู้จากว่าความปวดนั้นเป็นแต่เพียงอารมณ์ที่จอนผ่านมาเฉยๆแล้วก็ผ่านไปเม่เฉื่อยๆอารมณ์นั้นให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราหรือว่ามีความขเหนเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราก็ไม่เฉื่อมเรื่องจากมีนิจตาเรื่องจากยื้อเพื่แป่เก้ไขจิตใจของเราแก่ไขความขรหนื่อยขอเรา มีความโรภก็ ร, กรู้จกักเคลข่อนของออกไปมีความโกรธก็รู้จักน่าละทิ้ออกไปถ้าเราไม่มีสติชำปลายญะมีความรู้ตัว อ, อยู่เสมอแล้วจะมีวัญญาที่ไหนว่ามาแก้ไขจิตใจในช่วงนี้จิตใจเงาเนั้นก็จะตามตาอะไรตามอารมณ์ตามความรู้สึกนึกคิดของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยปลุกฝังอยู่ในสันดานเรามานักพนักชาติไม่โวนแต่ว่าถ้าเราก็พี่บัมาถึงขัง้นตอนนี้แล้วเราจะรู้จักแก้ไข คนมีปัญญาเข้ขายอารมณ์อะไรต่างๆของ น, นั้นพระจิตใจเรานั้นมีเลือหาละธรรมมีเครื่องอยู่ไปในจิตใจเรามีความเยือกเยน ม, มีความสดายเราอยู่เสมอเพราะมีสติมีสัมปัญยะมีสติคือปัญาที่จะควบคุมใจเรายอยู่เสมอเมื่อมาถึงตอนนี้แนละ้วที่จะพุทธปฏิบัติจะรู้จักจะเห็น สภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจะได้จากพุทธนาแก้ไขจิตของเราให้ตั้งนั่งในปัจจุบันแก้ไขอารมณ์ที่เป็นวิแก้ไขอารมณ์ที่เป็นนาดาคตแก้ไขกิเลสความโลภความโกรธความหลงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเราได้เพราะฉะนั้นท่านศิลก็ดีท่านสมาธิก็ดีสมาธินั้นควรทําให้ชันลิชํา น, นาญ ทำให้ฉันมาในการเข้าทำให้ฉันมาในการออกรู้จักฉลาดในกระบวนการของจิตเมื่อเราทำสมาธิให้เข้าข้องอยู่เสมอแล้วจะเป็นผู้ที่จ ะ, จะมีธรรมยาบางครั้งก า, ารทำสมาธินั้นจิตใจเรานั้นจะสงบข็าา้ตามเพื่เกิดความยินดี บางครั้งก า, งทางรทำสมาธินั้นจิตใจเรานั้นเป็นเวลโมรู้สึกว่าไม่สงบก็ตามจิตใจเรานั้นเพื่อไม่ให้เกิดความดีดีอินร้ายเพราะว่าถ้าเราทำอย่างเชนี้กันมาแล้วเราจะรู้จักว่าความสงบหรือความไม่สงบที่เกิด ข, ขึ้นของการทำสมาธินั้นจะเป็นเพียงอารโอมเท่านั้นเราต้องทำจิตใจเรานั้นให้เป็นกลาง ไม่ให้เปนดีไม่ให้เป็นร้ายในลมทั้งหลายในสมาธินั้นเมื่อมีจิตเป็นกาลางแล้วจิตกลางเราก็ไม่อาศัยอยู่กับสมาธิด้วยจับเห็นความไม่เที่องของสมาธิว่าสมาธินั้นก็ยังเป็นของไม่แน่นอนอยังเป็นของไม่เทื่งองยังเป็นของที่ต้องทําเข้าเข้วเอาหออยู่เสมอไม่ทำเข้าไปแล้วทำสมาธิสำหน็จแล้วสมาธิ เมื่อหายตัวลงเมื่ออ่านตัวลงแล้วจิตของเราก็จะไม่สงบถ้าจิตงเราไม่รู้จักสมาธิทำตามอารมณ์ทำทามสมาธินั้นจิตของเราจะคิดคิดว่าเราหายจากสมาธินี้แล้วแต่ความจริงแล้วในแบบถ้าเป็นผู้ที่สลาดในกระบวนการทางจิตก็จะรู้จึกว่ามันเป็นเพียงสมาธิสมาธิเป็นของไม่เที่ยงเราจะไม่ยึดมั่นถึงนั่นในสมาธินั้นมากมายนะ เจะมีสติปัญญ า, าตามดูจิตใจเราเอยู่เสมอไม่ยินดียิกับความสงบและความไม่สงกถอนจิตใจกมาดูจิตใจด้วยความมึ่นคงดูจิตใจด้วยมีด้วยความมีสติมีสติปัญญาอยู่เสมอพิจารณาลมทั้งหลายจะเป็นวัตถุถถสิ่งของก็ดีก็ ถ, ถึงถสิ่งที่มีชีวิต่างๆก็ดีให้เห็นใหเห็นจนใจลักให้เห็น็นมานุจังให้เห็น เห็นเนทุกข์ังให้เห็นคุณนอนัตตอยู่เสมอนอกจากเทุทธิบัตส่วนมากนั้ น, นเมื่อพุทธิบัติแล้วเก่งมากนั้นจะไม่มีระกับในก า, ารทุกข์าติเ่ต่างเพราะว่าการท า, ทาความทวนน้อยเกินไปเมื่อการท า, ทาความทวนน้อยเกนไปหรือไม่มีวิจารการเพื่อนจิตาจเราให้ด้รันันเในการ ท, ทาความทวนยุจิตใจองเรานั้นก็ไม่สามารถที่จะเกิด ได้รับผลในการไปรพุทธิบัติได้เพราะนั้นถ้าเราตั้งใจปไปพุทธิบัตินั้นก็ให้รู้จักตั้งใจในการทำบุญเพื่อมากจะเดินศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาให้กล้าแข็งให้เช่นแข็งขึ้นไปในใ จ, จิตใจงเราที่จะมาลูกเสียงกินลบความทับต่างๆอย่าให้ใจยินดียินร้ายขึ้นมาให้ใจรู้จักปล่อยวางให้ใจตป็นกลาง การทำสมาธินั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากแต่ว่าในป่านนี้นั้นไม่สามารถที่จะมีโอกาสเวลาที่จะกล่าวได้ละเยีดครับแต่การภาวนานั้นสิ่งที่สําคัญขอให้เรามีศรัทธามีความเพียรมีาาความอดทนต่อความที่เกียดการประพฤติการแบบตรภ า, านาของเรานั้น ก็จะได้รับผลในการทำพิเตรนะถึงแม้ว่าเมื่อเราภาวนานั้นจิตใจขอเรานั้นเข้าไปรู้เข้าไปเห็นในภาระธรรมทั้งหลายภาระธรรมทั้งหลายนั้นก็เ ป, นเป็นเพียงเครื่องเฉอยูเท่านั้นเราไม่ควรที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในภาระธรรมที่เรารู้ที่เราเห็นหรือที่จิตใจเราเป็นว่าภาระธรรมหรือธรรมะก็เป็นธรรมชาติเดียวกันั้นเอง ไมงมีตัวไม่มีคนต้องมีใารเป็นเจ้าเพราะความจริงแล้วการประทุษการแบบนั้นให้เป็นไปเพื่อการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นแต่สิ่งทั้งหลายทั้งัวะจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสําหรับนักปฏิบัติภาวนาเพราะว่าถ้าเราเข้าไปยึดถือเป็นตัวเป็นตนก็จะเกิดกิเลสเกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงข้อผิดผ่งนักปิบัติส่วนมากมันจะไม่รู้ความจริง ขึ้นมือขึ้นมือขึ้ให้วยให้ไปพูดความหืหนให้หลวงพ่อฟังนั้นค่อยหลวงพ่อนําไปพูดมาดูโปขาดเวลานั้นมีน้องขอให้หลวงพ่อมีความตั้งใจในกาปรปพูดปฏิบัติปฏิบัติไปพูดด้ความขวนใจต่างๆออกจากจิตใจเสียให้รื่งกระพเพื่อปฏิบัติให้ตั้งใจกระพเพื่ปฏิบัติ ในวันเกนดที่ผ่านพ้นไปให้ที่มาเป็นความตายอยู่เสมอว่าความตายเรานั้นจะมีจพะพอน่าความตายนั้นจะมีอยู่ในวันนี้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้นั้นเราถึงึ้นมาเราจะมีรอยเทียนอิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในวันนี้โอกาสเวลามากเท่าไหร่ก็ให้ตัง้งใจจะทําความเปีนให้ได้มากที่สุดเท่าที่สามารได้ตั้งใจทําความเลี่นในวันนี้นั้น ให้กระทำให้มากที่สุดเทา่าที่จะทำได้เมื่อถึงตรุงนีว่าก็าให้กระทำให้มากอีกเท่าที่สมาได้ถ้าเราต้องให้ถึอบบาา ง, ง, งอยู่ในปัจจุบันรมทําความเพียรอยู่ในปัจจุบันไม่ทำอยู่เสมอนั้นก็จะเห็นผลมีการโติบตรัดทำขึ้นสภาวะอยู่เสมอนในการให้มาเราจะเห็นว่ามีทุติยหรือมีปัญญาเห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นพระมหาว่า ทุกขุนทุกอย่างในโลกนี้มีความปกิดขึ้นและมีความสูญสลายเป็นที่สุดเป็นธรรมายอยู่เช่นนี้เมื่อจิตใจมาได้เห็นสภาวะธรรมนี้แล้วเข้ามาจุตนั้นก็ปล่อยความยึดมั่นผิดมั่นในความโลภในความโกรธในความหลงได้แต่และขั้นแต่และตอนค่อยๆปล่อ ย, ย, ย, ยวางลงไปตามสถิติความบรรดาของเรา ประพาวธรรมทุกสิ่งตุกอย่างในโลกนี้นั้นธรรมธาตุทั้งหลายทุงสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตเกิดขึ้นและตั้งอยู่ไในส่วนสลายไปในที่สุดเป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆผิดความไม่เที่ยงแต่สิตใจของมนุษย์ทุกคนนั้นมีความโลภมีควา ม, ห, มหลงหลงยึดถือประพาวธรรมว่าร่างกายนี้เป็นกายของเรา ให้เรารู้จักหมันพิจารณาถึงความจริงนันนี้เราก็จะเห็นให้ธรรมขององสงมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมเราชัดลืมขึ้นไปพิจรณาร่างกายเหล่านี้ให้สัจจว่าเป็นภาตตามธรรชาติเป็นภาตุาาาสีดุนหน้าเมลไฟประกอบกันขึ้นมาเท่านั้นเฉพาะที่นาถุนขนุนฟําหนังเส้นใดเส้นหนึ่งของร่างกายของเราเโดเฉพนกระดู ให้หลังเพือพไใ้วควรโดยแยกขาดจิตคจเรานั้นก็จะสงบระงักเป็นสมาธิยังไปเรื่อยปัญญาเร า, านั้นก็จะหมดเลือไปเรื่อยไปด้วยความเร่อความด้วยความหลงความขรดไปเรื่อยความย่ดเยืความสงบสุขที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจไราโดยเสมอ